ปัญหาข้อที่18อำนาจจิตของโอปปปาติกะกับการเปลี่ยนสภาพวัตถุที่เป็นของโลกนี้ทำได้จริงแค่ไหนอย่างไรปัญหาข้อที่18กล่องบุรีบุบสลายยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากคือเรื่องกลองบุรีซึ่งมาก่อนมีรอยบุบสลายอย่างมาก แต่แล้วก็ปรากฏว่ารอยบุบสลายได้หายไปหมดโดยที่กล่องบุหรีนี้บรรจุอยู่ในหอกระดาษยังมิดชิดซึ่งมีผู้เอามาให้เธอคลมดูว่าเป็นอะไรและเธอก็สามารถบอกได้ว่าเป็นกล่องบุหรีและก็รู้ด้วยว่ากล่องนี้บุบสลายอย่างมากและเป็นของในทหารอากาศผู้หนึ่งซึ่งตกเครื่องบินตายทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้แกะดูแต่เมื่อเจ้าของนากล่องบุหรีกลับไปถึงบ้านแก่ออกดูแล้ว ปรากฏว่ารอยบุบสลายหายไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเรื่องนี้เอสเทลโรเบิร์ตก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันหายแต่รอยบุบสลายได้หายไปเพราะอะไรเธอก็ไม่ทราบนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจแบบเดียวกับรูปประคำเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องสันนิษฐานเอาไว้บ้างว่าเรื่องที่คุณเอสเทลโรเบิร์ตได้เล่ามานั้น อาจจะมีการต่อเติมกันบ้างแต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้เขียนเรื่องนี้มาแล้ววันหนึ่งท่านเมฆแดงก็ได้มาและข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านถึงเรื่องรูปประคำหรือเรื่องกลองบุรีว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่เอสเ l ลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้เช่นนั้นหรือเปล่าท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกว่าเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรท่านตอบว่าไม่ทราบ รู้แต่ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นและข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามถึงเรื่องเอสเทลโรเบิร์สว่าขณะนี้อยู่ที่ไหนตายแล้วหรือยังทำไมจึงติดต่อทางจดหมายไม่ได้รับตอบท่านบอกว่าเอสเทลโรเบิร์สได้ตายมาปีกว่าแล้วแต่ขณะนี้ยังตามตัวมาไม่ได้เพราะเขายังต้องเป็นไปตามวิบากของเขาอยู่ซึ่งท่านก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ฟังว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและอยู่ที่ไหน เข้าใจว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะติดต่อกับเอสเทลโลเบสได้